بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن الخطاب ال ا ل ا س ل ا م ي ة بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي الشريط الرابع ويحتوي على س و ر ت ي ا ل م ا ئ د ه والأنعام บทอันไมด์เป็นบทม دني ะมีร้อยยี่สิบองค์การเป็นบทที่ยาวพอสมควรเช่นเดียวกับบท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 เรื่องราวของยะฮูดีและนัสรอนีที่มีความเชื่อผิดๆบิดพริ้วสัญญาบิดเบือนคำพีเตารอนและอิงยินปฏิเสธสารที่ท่านนาบีมอมัสสล ล, ลลฮุอะไลฮุสสลัมให้นำมาบทนี้ได้จบลงโดยกล่าวถึงสถานการณ์อันน่าสะพรึงกลัวคือวันชุมนุมมนุษย์ซึ่งในวันนั้นท่านนาบีอีซาอลาหิสสลาม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 เป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงสถานภาพของท่านว่าเป็นาศาสนทูตจากอัลลอฮ์ Allah มาสู่มวลมนุษยชาติในสมัยนั้นโดยพระนามของ Allah, อัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยา وا, ออย่าลัตตินะมันูอฟูบิลกูด อ, อพิลเลต لكم إ ا ل ل ه يحكم ما يريد อัตประทัดทั้งหลายจงรักษาสัญญาให้ครบถ้วนเถิดสัตว์ประเภทปะสุสัตว์นั้นได้อนุมัติแก่พวกเจ้าแล้วนอกจากที่จะถูกอ่านให้พวกเจ้าฟัง โดยที่พวกเจ้ามิใช่ผู้ที่ให้สัตว์ที่ถูกกล่าวนั้นเป็นที่อนุมัติขณะที่พวกเจ้าอยู่ในเอียรอมแท้จริงอัลลอ์นั้นทรงตัดสินชี้ขาดตามที่พระองค์ทรงประสงค์ยาอิยูฮัลล์ดีน่าอามานุลาตูฮิลูชัยรัลลอฮลาตูฮิลูชัยรัลลอฮีวะลัลชีฮรัลฮารามวะลัลฮะดีวะลัลควลาิด ولا ا ل ق ل ا ئ َ ولا أم ي ن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم َ ن ك م شناء قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن ت ع ت د و ا อุปสรรคทั้งหลายจงอย่าให้เป็นที่อนุมัติซึ่งบรรดาเครื่องหมายแห่งาศาสนาของอัลลอ์และเดือนที่ต้องห้ามและสัตว์พลีและสัตว์ที่ถูกสวมเครื่องหมายไว้ที่คอเพื่อเป็นสัตว์พลี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 และจงอย่าร่วมมือกันในสิ่งที่เป็นบาปและเป็นศัตรูกันและพึงกลัวเกรง อ, อัลลอฮ์เถิดถ้าจริงอลัลลอะ์นั้นทรงเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษอบ والمنخالقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذ ك ي ت م وما أكل السبع إلا ما ذ ك ي ت م وما دبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. ذالكم ف س ق ا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ได้เป็นที่ห้ามแก่พวกเจ้าแล้วสัตว์ที่ตายเองและเลือดและเนื้อสุก่อนและสัต์ที่ถูกเอืนน้ำอื่นจากอลลอที่มันขณะเชื้อดและสัตว์ที่ถูกรัดคอตายและสัตว์ที่ถูกตีตายและสัตว ต, ตกเหวตายและสัต์ที่ถูกขีดตาย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 قل ُْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ م ُ ك َ ل ِ ب ِ ي ن َ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ م ُ ك َ ل ِّ ب ِ ي ن َ ت ُ ع َ ل ِ م ُ و ن َ ه ُ ن َّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ و َ ذ ْ ك ُ ر ُ ا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ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 และจงกล่าวพระนามของอัลลอฮ์บุญมันเสก่อนและจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการชำระการสอบสวน والمحصنة من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن و أجورهن م ح ص ل ن ي ن م ح ص ن ي ن غير مسافحين ولا م ت خ ذ ي ن أ خ ب ا ن وَمَن ي َ ك ف ُ ر ب ِ ا ل إ ي م ا ن ِ ف َ ق د حَبِطَ ع م ل ُ ه ُ وَهُوَ فِي ا ل آ خ ِ ر ة ِ مِنَ ا ل خ ا س ِ ر ي ن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 ไม่ใช่เป็นผู้กระทำจีนาคือละเมิดทางเพศและไม่ใช่เป็นพวกคบชู้และผู้ใดปฏิเสธศรัทธาแน่นอนงานของเขาก็ไร้ผลโดยในวันพรโลกเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ที่ขาดทุนยก وأيديكم ََُْ إلى َ المرافق ِِ ومسحو ََ برؤوسكم ُِ وأرجلكم َُُ إلى الكعبين َ وإكنتم َُِْ جنبا ُ فتطهروا وإكنتم ُ مضاؤ أو على سفر ٍَ أو جاء أحد منكم ُ من الغائط ِ أو جاء أ و ل َ م َ س ْ ت ُ مُنْسَأَ ف َ ل َ م فَلَمْ, فلم تَجِدُ مَا أَنْفَتِ يَمْمُ صَعِيدًا طَيِّبًا ف َ ت َ ي َ م م ُ صَعِيدًا طَيِّبًا ت َ م ْ سَحُو ب ِ و ج و ه ِ ك ُ م ْ وَأَيْدِكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ ح َ ر ج ٍ وَلَكِي يُرِيدُ ل ِ ي ُ ط َ ه ِ ر َ ك ُ م ْ โอผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าต้องการจะปฏิบัตินมาอตก็จงล้างใบหน้าของเจ้าและมือของพวกเจ้าถึงข้อสอบและจงเท็ดศีรษะของพวกเจ้าและล้างเท้าของพวกเจ้าถึงตาตุ่งทั้งสองและหากเจ้ามียันนาบะก็จงชาระร่างกายให้สะอาด และหาพวกเจ้าป่วยหรืออยู่ในการเดินทางหรือคนใดในหมู่พวกเจ้ามาจากการถ่ายทุกข์หรือมีเพศสัมพันธ์กับปัญญาและพวกเจ้าไม่พบน้ำก็จงมุ่งสู่ดินที่ดีแล้วลูกใบหน้าของเจ้าและมือของเจ้าจากบินนั้นอลัลลอ์นั้นไม่ทรงประสงค์เพื่อจะให้เกิดความลำบากใดๆแก่พวกเจ้าแต่ทว่าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเจ้าสะอาด และเพื่อให้ความโปรดปรานของพระองค์ครบถ้วนแก่พวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะขอบคุณเราจงริ่ม ล, ลึอกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเจ้า และสัญญาของพระองค์ที่ได้กระทำมันไว้แก่พวกเจ้าขณะที่พวกเจ้ากล่าวว่าพวกเราได้ยินแล้วและพวกเราเชื่อฟังแล้วและพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอะ์นั้นทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในสวง อ, อกย โอ้ผู้สถานทั้งหลายจงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยดีเพื่ออัลลอฮเป็นพยานด้วยความเที่ยงธรรมและจงอย่าให้การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใดทำให้พวกเจ้าไม่ยุติธรรม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 จะรับการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่ ب ب ي ي บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธบรรดาองค์การของเรานั้นชนเหล่านี้แหละคือชาวนารกย ا าเอเยอัลลดีนอามนุคุรุนิอมมัตลิคุม มม อ, อัลฮะ قوم ي س ل ي ك م ي د ي ه م فكف ي د ي ه م عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون อผูสถาทั้งหลายจงรำลึกถึงความโปรดปรานของลอดที่มีต่อพวกเจ้าขณะที่พวกหนึ่งตั้งใจที่จะยื่นมือของพวกเขามาทำร้ายพวกเจ้า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 وقال الله إني معكم ل ِ ن أقمت م الصلاة و آ ت ي ت م الزكاة و آ م ن ت م ب ر س ُ ل ي وعزرتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفر عنكم سيئاتكم و ل َ أدخلنكم جنة تجري รัจต ار, كم, จริงอัลลอฮได้ทรงเอาสัญญาแต่วงวานอิสราเอลและเราก็ได้แต่งตั้งหัวน่าจากพวกเขาขึ้นสิบคนแล้ลเราได้ทรงกล่าวว่าถ้าจริงข่านั้นร่วมอยู่กับพวกเจ้าด้วย ถ้าหาพวกเจ้าปฏิบัติละหมาดและชำระอากาศและศรัทธาต่อศาสนาทูตของข้าและสนับสนุนพวกเขาและให้อัลลอซยืมหนี้ที่ดีแน่นอนข้าจะลบล้างความชั่วของพวกเจ้าให้พ้นไปจากพวกเจ้าและแน่นอนข้าใช้พวกเจ้าเข้าสวนสวนรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลยอยู่เบื้องล่างและผู้ใดในหมู่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาหลังจากนั้นแล้ว แน่นอนเขาได้หลงไปจากทางอันเที่ยงตรง <S <S <S <S แต่เนื่องจากการที่พวกเขาทำลายสัญญาของพวกเขาเราจึงได้สาบแช่งพวกเขาและให้หวนใจของพวกเขาแข็งกระด้างพวกเขากระทำการบิดเบือนบรรดาถ้อยคำให้เฉะออกจากตำแหน่งของมันและลืมส่วนหนึ่งจากสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนไว้แล้วเจ้าก็ยังมองเห็นการคดโกงจากพวกเขาอยู่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 จากบรรดาผู้ที่กล่าวว่าพวกเราเป็นคริสต์นั้นเราได้เอาสัญญา จ, จากพวกเขาแต่แล้วพวกเขาก็ลืมส่วนหนึ่งจากสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนไว้เราจึงได้ให้เกิด ข, ขึ้นระหว่างพวกเขาซึ่งการเป็นศัตรูและการเกลียดชังจนกระทั่งวันกียยมา แล้วเราจะทรงบอกเขาเหล่านั้นถึงสิ่งที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้ ม, มบโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายแท้จริงศาสนาทูตของเราได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วโดยที่เขาจะแจกแจงแก่พวกเจ้าอย่างมากมายจากสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดไว้จากคำภีรและเขาจะงดเว้นไว้มากมายถท้จริงแสงสว่างจากอัลลอฮ์และคัมภีร์อันชัดแจ้งนั้นได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วยดีบบลลลามตส ال ด้วยคำพีนั่นแหละอัลล์จะทรงแนะนำผู้ที่ปฏิบัติตามความพึงพอพระทัยของพระองค์ซุบนาทางแห่งความปลอดภัยและจะทรงให้พวกเขาออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างด้วยอนุมัติของพระองค์และจะทรงแนะนำพวกเขาสู่ทางอันเที่ยงตรง